ศึกษาในอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเพื่อเป็นพระโสดาบันเพื่อเป็นพระสกะทาคามีเพื่อเป็นพระอนาคามีเพื่อเป็นพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยนะก็ศึกษาต่อไปเพราะฉะถ้าหากว่าเราปรับความเข้าใจไม่ถูกต้องก็ยากที่จะประสบความสําเร็จในพระศาสนาเนี่ยนะเพราะบางทีเนี่ยเชื่อไหมเราเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะที่เรียกว่านักปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเลยก็มี บางทีเนี่ยไม่ได้ทําของพระพุทธเจ้าแต่กล่าวอ้างพระพุทธเจ้าตลอดแต่สิ่งที่เราทําเชื่อไหมอาจจะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าเราต้องตรวจสอบไดนะ้ตรวจสอบได้เสมอต้องเป็นที่เรียกว่าต้องสมัยใหม่ก็ใช้คำอะไรนะที่มาของทรัพย์สินไม่งั้นเดี๋ยวถูกฟ้องว่าเลยว่าได้มาทรัพย์นี้ได้แต่ใดมาอย่างนั้นนะเขาต้องตรวจสอบใช่ไหย ตรวจสอบว่าเออเนี่ยได้ทรัพย์สินมาอย่างไงอะไรมายังไงต้องตรวจสอบบัญชีได้ฉันใดความคิดของเรานะคนที่ศึกษาธรรมะระดับสูงเขาตรวจสอบความคิดได้ทั้งหมดเช็คได้ทั้งหมดจริงๆนะแม้กระทั่งภาษาทางแพทย์เนี่ยนะอะทางแพทย์เนี่ยในร่างกายเราเนี่ยตรวจสอบได้หมดเลยเขาบอกว่าอะไรอะไปตรวจสุขภาพเขาทำยังไงบอกขอเลือดมาหน่อยแล้วกันแต่เลือดของคุณคุณต้องไม่ทานอาหารมาประมาณ สิชั่วโมงอะนะธรรมาตรฐานใน12บสชั่วโมงเอาเลือดมาแล้วเขาจะไปเช็คเองว่าเนี่ยเบาหวานคุณมีไหมร่างกายทั้งหลายเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าเอาหนังยืดมารัดกล้ามเนื้อเขายังบอกเลยว่าความดันเราเท่าไหร่ใช่ไหมชีพจรเต้นเท่าไหร่อันนี้ค่าของเลือดเอาอุจจาระมาเช็คว่ามีอะไรบ้างเอาปัสสาวะมาตรวจว่ามีอะไรบัางเขาตรวจได้หมดเลยเกี่ยวกับเรื่องร่างกายวิชาทางแพทย์แต่ทางธรรมะก็ตรวจสอบความคิดได้ทั้งหมดอีกเหมือนกัน ปัญหาว่าเว้นไว้แต่ว่าอะไรนะตรวจเจอว่ามันไม่ดีว่าโอ้ยังดีอยู่เว้นไว้แต่หลอกตัวเองแค่นั้นนะแต่ถ้ามีความรู้พอเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วตรวจสอบความคิดได้ทุกความคิดความคิดใดเป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกความคิดใดเป็นความคิดที่เป็นไปเพื่อความทุกความคิดใดสร้างวัตตะความคิดใดดับวัตตะเช็คตรวจสอบได้หมดเลยเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่งตั้งเปิดเผยประกาศทําให้ง่ายหมดแล้วเนี่ยนะ ชนที่ที่ตรงผู้ที่ปฏิบัติตรงผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะสามารถตรัสรู้ตามได้นะผู้ที่มีปัญญามีบุญมีบุญพอก็สามารถตรัสรู้ตามได้ทีนี้เอ๊ะถ้าเราบุญน้อยล่ะโรคบุญน้อยเข้ามาแล้วทำไงดีก็ศึกษาต่อไปเดี๋ยวบุญเหล่านี้จะเต็มได้ไดตรัสรู้ในพระพุทธเจ้าองค์ต่อต่อไปเขาเรียกว่าสร้างเป็นบุญสร้างเป็น อุสนสร้างเป็นบนสร้างเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยน้อมไปเพื่อการตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะท่นพยายามจับทิศทางในการศึกษาพระธรรมคําสอนยิ่งในยุคนี้เนี่ยนะเป็นการศึกษาประเภทแบบว่าอะไรจะตลาดเก่าแก่เท่ากับพุทธศาสนาไม่มีแล้วในโลกเนี่ยเก่าแก่จริงๆโยมเขบอกว่าใครที่บอกว่าชอบของเก่าของเก่าเนี่ยนะ บอกเช่นอะไรเก่าๆแก่ๆทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรเกินพระพุทธศาสนานะในตอนนี้เนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยเก่าแก่ที่สุดถ้าบอกว่าใครชอบของเก่าเก่าจริงๆเก่าจนไม่รู้ว่าอะไรคือความผิดความถูกแต่ถ้าเรายึดนิยมความถูกต้องนะเอาอะไรที่มาตรฐานเป็นตัวตั้งเราก็ไม่ใช่ว่าศึกษาไม่ได้แต่ถ้าศึกษาไม่ได้เราก็ถือว่าถือว่าอะไรนะเราจบเลยจากพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า พระองค์นี้เพราะเราพยายามที่จะกําหนดทิศทางในการศึกษาให้ดีๆว่าสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดความรู้สึกนึกคิดของเรายังเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมถ้าสิ่งที่เราทําเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทำที่สุดแห่งทุกได้ในคำพีพุทธวงศ์คำพีพุทธวงศ์เนีนะเล่มที่เจ็สิบสามนะฉบับเล่มที่เจ็สิบสาม วงของพระโคตมะพุทธเจ้าชนเหล่าใดเหาหนึ่งสันเสริญอริยมรรคชนเหล่านั้นจักตรัสรู้เนี่ยนะหมายเขาว่าถ้าหากว่าเขาปฏิบัติตามอริยมรรคเนี่ยนะชื่นชมอริยมรรคเข้าใจอริยมรรคในที่สุดอริยมรรคจะทำให้เขาตรัสรู้หลักวิชาท่านบอกว่าเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละ หรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าเจริญสัมมาทิฏฐิอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนะนะสัมมาสังกปะที่บุคคลเจริญแล้วอสัมมาสังกปะที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพาน สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติตลอดจนถึงสัมมาส ม, มาธิก็ในยะเดียวกันว่าบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั่นนะนันถ้าเราเจริญตามคำสอนศึกษาคำสอนเอาใจใส่ตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็จะตรัสรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่นิยามของคำว่าธรรมเนี่ยนะ เขาเคยเขียนไอทอทงการเรือเรียกว่าธระธรรมะก็มาก็มาจากธระแปลว่ารักษาหรือหรือส่งเอาไว้ธระตัวนั้นแปลว่าส่งเอาไว้หมายว่าส่งผู้ใดที่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ทําให้เขาเนี่ยตกไปในอบายทุกขติวินิบาตนรกเปรตอสุรกายและเดรฉานเป็นต้นเนี่ยนะนั้นถ้าหากว่าวัดตามใจของเราเนี่ยนะเอาคุณภาพจิตมาวัดเนี่ยนะยอมว่ายมเกิดสวรรค์ชั้นไหนดีนะนะ เช็คเช็คใจของเราเลยนะมาตรวจใจเลยเอาใจมาเช็คค่าที่เป็นจริงของใจอ่ะนะแม้ถ้าตายตอนนี้สวรรค์ชั้นไหนดีเนาะแล้วถ้าอยู่สวรรค์ชั้นนั้นจะไปอยู่ได้สักกี่วันอ่ะนะตามคุณภาพของอริยทรัพย์ภายในแบบเนี้ยนะบางคนก็บอกโอ้ยยังไงชาติหน้าเขาก็สวรรค์เข้ามาไม่เทียงหรอกแต่ปัญหาว่าคุณอยู่ได้กี่วัน บอกเหมือนกับอยู่สวรรค์ันดูสิเอางี้แล้วกันลองไปใช้โรงแรมดูสิธานีดูะนะจะอยู่ได้สักกี่คืนเว้นไว้แต่ไปเป็นพนัก ง, งานอาจจะได้นานอีกหน่อยอะนะแต่มา่ะถ้าถ้าไปเป็นผู้พักจริงๆเนี่ยไม่ง่ายนะแม้กระทั่งสุคติโลกสวรรค์ก็ในญาติเดียวกันถึงไปเกิดไปอยู่ได้สักกี่วันเชนอะวัดกันตามคุณภาพบุณ น, นะ ไม่ใช่แปลว่าไปอยู่ในสวรรค์จะต้องบอกาอู้สวรรค์นะอายุยืนเท่านั้นปีเท่านี้ปีอันนันถามว่าท่านพูดผิดไหมบอกไม่ผิดเหมือนมนุษย์ในยุคนี้เฉลี่ยแล้วอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณสักเจ็ดสิบห้าปีบางคนก็อายุยืนหน่อยก็เจ็สิบปีคุณย่าเท่าไหร่ตอนนี้อ๋อเจ็ดสิบสองอายุยืนมากมีบุญมากมั้นก็อนะไรแล้วคนเกิดมาทั้งหมดอายุแปดสิบกันหมดไหม มนุษย์ยุคนี้เขาบอกอายุเจ็ดปดสิบปีนะจึงจะตายบางงันแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนอายุแปดสิบหมดชั้นใดสวรรค์ที่บอกว่าอายุหลายๆล้านปีอายุเป็นล้านปีแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องไปอยู่ในสวรรค์ครบอายุไขทีนี้ถามว่าสวรรค์นี่มันก็เหมือนกับว่าอะไรนะคนรายได้น้อยแล้วไปซื้อของไปช้อปปิง้งอ่ะชอบหมดแล้วเอาที่เหลือที่เหลือไปไหนดีคะเนี่ไปเที่ยวไปเกิดในสวรรค์นี่สวรรค์ไม่ใช่แหล่งทำบุญโดยมากนะสวรรค์ไม่ใช่แหล่งทาบุญที่เรียกว่าแหล่งใช้ผลของบุญ ก็หมดบุญจากสวรรค์ไปไหนต่อเขาเน่นะเขาก็มีในใ น, ในพระไตรปิฎกเล่าเยอะจากมนุษย์ไปสู่สวรรค์จากสวรรค์นู้น่ะตกจากมนุษย์เนี่ยนะตกจากสวรรค์น้นไปนรก <c oughs> มีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายเทวดาเนี่ยพวกเทวดาเนี่ยตายจากเทวดาแล้วมาเกิดเป็นเทวดาคืนเนี่ยน้อยตายจากเทวดาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยน้อย เทวดาตายจากเทวดาแล้วไปสู่นรกเปรตอสุรกายเดรฉานมากกว่าอีกสูตรหนึ่งบอกอีกที่หนึ่งบอกว่าพวกมนุษย์นะตายจากมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์น้อยตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาน้อยแต่ตายแล้วไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายเดรฉานมากกว่าอีกที่หนึ่งบอกเดรฉานตายจากเดรฉานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์น้อยเดรฉานตายจากเดรฉานกลับมาเกิดเป็นเทวดาก็น้อย มาคิดดูเอเคยเห็นพวกเดสมยสมมติถ้าเราสมมติถ้าเขามาเป็นแมวเนี่ยนะเขามาจะทําบุญอะไรให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือว่าให้ทานใน ไ, ไม่พอใจมาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์รักษาศีลเป็นต้นนั้นจะทําอะไรให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจากเดรัชานมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากจากเดรัชานไปเป็นเทวดาก็ยากจากเดรัชานไปไหนก็ไปเดรัชานซะส่วนใหญ่จากเดรัชานไปนรกไปอสูรกายซะก็ซะส่วนมากเพราะฉะนั้นยากมากที่จะได้มาเกิดใน สุกติพลังสังสารวัตรที่บอกว่าเวียนว่ายตายเกิดไม่มีจบมีสิ้นระบบมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าระบบระบบตัวนี้เขาเรียกว่าสังสารจักรจักระจักกะเนี่ยนะก็คือเป็นเหตุเป็นผลให้ระบบเฟืองอ่ะมันหมุนเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงระหว่างกรรมวิบากและกิเลสเนี่ยนะอย่างเช่นทวารตาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไปหมดเลยลืมตายังไงสร้างวัตตาสร้างภพสร้างชาติะเห็นยังไงเนี่ยเห็นแบบเนี้สร้างภพสร้างชาตินะ เห็นแบบนี้ดับทุกข์ได้หลักการเขามีง่ายๆอ ย, ย่างนี้บอกว่า อ, า, อาศัยตาและสีเกิดจากครูวิญญาณเนี่ยตากับภาพการเห็นก็เกิดขึ้นสามอย่างนี้เขาเรบบียกว่าผัสสะคือมีตามีสีมีการเห็นขึ้นเรบบียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาความต้องการเนี่ยนะความยึดติดความเพลิดเพลินความต้องการ ทีนี้พอเมื่อมีความต้องการก็เกิดความยึดถือนั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราก็เกิดความยึดถือเกิดความยึดถือความคิดก็เกิดขึ้นกายกรรมก็เกิดขึ้นวจรรกี ก, กรรมก็เกิดขึ้นมโนกรรมก็เกิดขึ้นคิดเฉยๆเป็นมนโนกรรมพูดเป็นว จ, จีกรรมพฤติกรรมก็เป็นกายกรรมกรรมตัวนี้เรียกว่ากรรมมาพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ชาติเป็นปัจจัยจึงอะไรพอเกิดมาแล้วก็ชราและมรณะโศกปริเทวะทุกโธมรณะและอุปาญาต์เพราะฉะนั้นถ้าพูดตรงๆเลยพูดแบบอะไรนะไม่ไม่ตรงที่สุดเลยก็คือแบบทุกครั้งที่เราเห็นเนี่ยคือการสร้างชาติหน้าแต่ต้องเข้าใจระบบของเขาเนะี่ยเขาบอกว่าไอ้มันเป็นไปได้ยังไงก็คิดดูเราพูดโทรศัพท์พูดหนึ่งคำต้องจ่ายตังค์กันนะทุกคําที่พูดมันต้องจ่ายเท่านั้นแหละว่า ง, งั้นเลยเหมือนกับ น, น้ำไฟเนี่ยถ้าเรากดเปิดทิ้งไว้ก็ต้องเสีย เสียค่าใช้จ่ายหมดชั้นใดทุกครั้งที่เราเห็นเนี่ยคือมันเป็นวิธีการสร้างพบสร้างชาติต่อไปเนี่ยนะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะทํายังไงที่จะถ่ายถอนสิ่งเหล่านี้ได้ไม่รู้ว่าเห็นต้องคิดให้เป็นมรรคแปดก็แล้วกันเห็นยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหรือไม่เอางี้กัเห็นยังไงคิดให้เป็นศีลเป็นสมถะเป็นวิปัสนาถ้าหากว่าลืมตามองเห็นเจริญศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ ลืมตามองเห็นเจริญสมถะวิปัสนาไม่ได้ลืมตามองเห็นแล้วเจริญมรรคแปดไม่ได้มันก็มีแต่การคู่นี้ตลอดคือในทางธรรมะเนี่ยนะตัณหาพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นหนี้ชนิดหนึ่งความเพลิดเพลินความพอใจในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นหนี้สินเป็นหนี้ที่เรียกว่าจ่ายแล้วจ่ายเล่าไม่มีจบมีสิน้นตัณหาเกิดหนึ่งครั้งเท่ากับเพาะเมล็ดพันหนี้ไว้หนึ่งเม็ด มันถ้าต้นนี้มันงอกมาแล้วมันโหจบสิ้นเป็นที่ไหนไม่มีจบมีสิ้นเชื่อมโยงไปตลอดเพราะพระองค์จึงสอนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเพื่อถ่ายถอนตัณหาถ่ายถอนหนี้สินเนี่ยนะเพัาะเขาเรียกพระพุทธเจ้าวา่าผู้ไม่มีหนี้นะพรหมพรหมเนี่ยนะพรหม่ะพรหมมาจโลกาธิปฏิสัมปิติกัดอันเลีเนี่ยนะพรหมเนี่ยมาเรียกพระพุทธเจ้าวา่าข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีหนี้ ก็คือพระองค์ไม่มีตัณหาพระองค์คิดยังไงจึงไม่มีตัณหาคิดจนเห็นอริยสัจพิจารณาจนเห็นอริยสัจเมื่อเห็นอริยสัจด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดพระองค์จึงเป็นผู้ที่ไม่มีนี่เป็นผู้ที่ดับนี่เป็นผู้ที่พนนี่เขาบอกว่าอ้าแล้วนี่นี่ในโลกเนีอย่างมากก็่าเข้าคุกใช่ไหมแล้วนี่ในวัฏะจบลงที่ไหนใช่นี่ในวัฏฏะพระองค์บอกว่า พระองค์บอกว่าไม่มีคุกใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากันนรกกับเดรชาญเขาบงั้นการที่สัตว์เดรชาญเกิดขึ้นนั้นนะคือการติดคุกเหมนันนี่ยคุกของวัฏนะคุกของวัฏฏะคือนรกกับเดรชานถ้าคุกของโลกก็เช่นอะไรบางขวางอะไรก็ว่ากันไปนี่ยนะนีนคือเรียกว่าคุกของชาวโลกแต่ถ้าคุกในวัฏฏะก็คือนรกกับเดรชานพระองค์บอกว่าไม่เห็นคุกไหนมันจะยิ่งใหญ่เท่ากันนรกกับเดรชานนี่มันหลุดออกมายาก เพราะว่ากำลังนึกในใจเคยถามหลายคนเนี่ยเอาคุณรักหมามากเลี้ยงหมาไว้ตั้งหลายตัวอยากให้หมามาเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าจะให้มันทํำยังไงดีทําไงดีหนูนะบอกโอ้ยแ่มรักเธอจริงๆเลยตัวนี้เนี่ยนะน่ารักดีออกนหะอยากชาติหน้าอยากให้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะทํำยังไงดีเมื่อห้มเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะ คนบางคนบอกโอ้รักนกมากอยากให้นกมาเกิดเป็นคนเนี่ยยากแต่ถ้าเราจะเกิดเป็นนกอ่ะไม่ยากคิดถึงนกบ่อยๆเดี๋ยวก็เกิดเป็นนกเองนะแต่ถ้าจะให้นกมาเกิดเป็นคนเนี่ยยากสมมติถ้าเราคิดให้เราชาติหน้าไปเกิดเป็นสุนัขเป็นต้นไม่ยากแต่ให้สุนัขมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากนะพยายามว่าเนี่ยกําลังคิดอยู่เอ๊ะรักไก่ชนตัวนี้มากอยากให้ไก่ชนตัวนี้มาเป็นมนุษย์เนี่ยทําไงดีแต่ถ้าเราคิดไปแล้วไปเกิดเป็นไก่อ่ะไม่ยาก แต่ให้ไก่มาเกิดเป็นคนเนี่ยยากฐานะถ้าเราไปสู่นั่นน่ะโอ้ยปลาตัวนี้น่ารักเหลือเกินนะเธอชาติหน้ามาเป็นมนุษย์นะให้ทำยังไงช่วยปลาตัวนี้ให้มาเกิดเป็นมนุษย์บอกขอมาเนี่จนปัญญาเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าทําได้เอแต่ว่าไม่ใช่ทำได้กับเดรฉ า, านทุกตัวนะนี่อยู่ครั้งหนึ่งพระ อ, องค์ก็ไปเห็นอุ ป, ปนิสัยกบอยู่ตัวหนึ่งจะได้บรรลุมรรคผลที่เรามันดูกะนี่นะมันดูกะแปลว่ากบ พ่องก็ไปแสดงธรรมตรงนั้นกบมันได้ยินเสียงคือกบตัวเนี้เป็นกบมีบุญเก่ามาเยอะมันได้ยินเสียงพระพุทธเจ้ามันเลื่อมใสเลยนะมันมีศรัทธามากฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าชอบฟังชอบฟังเสียงของพระพุทธเจ้าชอบมากเลื่อมใสามากเลยนะทีนี้คนเลี้ยงโคคนหนึ่งก็วางไม้เท้าจมลงไปเนี่ยไม่รู้ว่ากบกบตายเลยขณะที่ใจผ่องใสตอนนั้นเนี่ยใจที่สบายผ่องใสมีมีเสียงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เกิดใน สวรรค์ตอนหลังแกก็ลงมาแล้วฟังธรรมแล้วเป็นพระโสดาบันเลครับนี่เออเนี่ยกบพัฒนาอย่างก้าวไกลเป็นพระโสดาบันได้แต่ก็อย่างว่านนะเชื่อไหมในคัมภี์มีกบอยู่ตัวเดียวที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะไอ้กบที่เหลือไม่รู้กี่ฟูงกี่ฟาร์มนเนี่ยนะงียบไม่มีพูดถึงเลยแล้กตัวหนึ่งเขาเรียกว่มาม้าตอนหลังม้ามาเป็นพระโสดาบันก็คือม้ากันตะกะม้าที่ขี่เพื่อให้พระพุทธเจ้าขี่ไปบวชเออพระโพธิสัตว์ขี่ไปบวชนะนะม้าอยู่ตัวนั้นน่ะแล้วโดยมากนะยาก เพ็ไปเป็นเดรัชาเนี่ยยากจริงๆเลยถ้าจะมากลับมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์แล้วบุญตัวไหนทําให้มันเกิดมีสติมีปัญญาเข้าอีกอ่ะให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถือว่ายากแต่ก็เกิดได้เช่นมาติดพันในมนุษย์คิดถึงมนุษย์มากๆใจผูกพันกับมนุษย์มากๆก็มาเกิดเป็นมนุษย์เอาแล้วบุญตัวไหนมาทําให้มีปัญญาคือร่างกายของเราเนี่ยนะในในชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยพูดตามภาษาหลักธรรมะเนี่ยหลักหลักกรรมเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเหมือนกับ อะไหล่ในร่างกายเนี่ยแต่งมาจากคนละร้านคนละร้านคนละร้านอย่างเช่นแบบอะไรร้านรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยถามว่าปั๊มมาจากร้านเดียวเลยใช่ไหมมามาจากโรงงานเดียวใช่ไหมที่ปั๊มมาเป็นรถหนึ่งคันเนี่ยนะบอกไม่น็อตก็มาจากโรงงานหนึ่งอะนะอะไหล่แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมาจากแต่ละโรงงานทั้งนั้นเลยชั้นใดร่างกายของเรานะส่วนหัวส่วนหน้าส่วนข้างส่วนซ้ายส่วนผมผมแต่ละเส้นเนี่ยดีไมด่ดีมาจากคนละกรรม กรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยมาตกแต่งแล้วความคิดเนี่ยนะที่เราคิดเนี่ยมาจากเรื่องเดียวใช่ไหมทําให้เราคิดอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนปัจจัยที่ทําให้เราคิดเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยฉันใดก็ดีเนี่ยถามว่าถ้ามาเป็นมนุษย์แล้วเอาปัญญาตัวไหนมานําเกิดถ้าไม่เคยสะสมปัญญาไว้ในอดีตไม่ยากนะที่จะมีปัญญาฉันใดถ้าคนที่ไม่เคยสะสมความคิดที่จะบรรลุอริยสัจอยากคิดนะว่าเขาจะเห็นอริยสัจเป็น พระโสดาบันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สิ่งเราเนี่ยมันเกิดจากการสรรสร้างขึ้นมาสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายในจำนวนที่ว่าสัตว์ไม่มีเท้าก็ดีสัตว์สองเท้าก็ดีสัตว์มีเท้ามากก็ดีสัตว์ที่มีสัตว์ที่มีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ก็ดีมีประมาณเท่าใดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในจํานวนสัรพสัตวทั้งหมดชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศอย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในผู้เลิศย่อมได้รับผลที่เลิศอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองบรรดาธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังฆะและอะสังฆะมีประมาณเท่าใดพระนิพพานเนี่ยเลิศที่สุดผู้ใดเลื่อมใสในพระนิพพานชนเหล่านั้นก็ได้ย่อมได้วิบากที่เลิศ นิพพานา hey? คืออะไรคือธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่สางแห่งความเมาเป็นธรรมที่ดับทุกเป็นธรรมที่สงบทุกเนี่ยนะเป็นธรรมที่พ้นจากความเกิดและความตายเนี่ยนะทีนี้ต่อไปในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ต้องสรรสร้างขึ้นเรียกว่าปรุงแต่งปรุงแต่งก็คือสร้างขึ้นเนี่ยนะเช่นเหมือนกับข้าวเหมือนกับยาเป็นต้นพวกนี้ต้องสร้างขึ้นดังนั้นอ่ะเป็นเกิดจากการปรุงแต่งขึ้นสิ่งที่ปรุงแล้วยากที่สุดนี่คือ อารยมรักอันประกอบไปด้วยองแตกตรุงยากที่สุดนะอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนในสมัยก่อนเข้าบรรลุเนี่ยนะคนที่เข้าบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกท า, าคามีเนื่องจากว่าอดีตชาติเขาเคยปรุงแต่งบุญไว้แล้วเพิ่งมาสําเร็จตอนนี้เองเนี่ยนะเพิ่งมาสําเร็จตอนนี้เองเพราะนั้นของเราทั้งหลายถ้าหากว่าเรามันมันปรุงอารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แตกบ่อยๆเนี่ยนะปรุงสัมมาทิฏฐิก็คือปรุงศีลปรุง สมาธิแล้วก็ปรุงปัญญาแล้วมาตรฐานน่ะมาตรฐานก็บอกพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นมาตรฐานพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นมาตรฐานเป็นผู้ที่เราต้องเอาเป็นแบบเป็นเยี่ยงเป็นอย่างการที่เราเอาพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นแบบเอ่อเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังที่กล่าวไปแล้วเป็นแบบเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเรียกว่าเรามีสารณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามนั้นก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ ถ้าเดินทางถูกแม้แต่ไปเก้าเดียวก็ใกล้เข้าไปทุกทีจะกล่าวไปใหญเดินถึงร้อยเก้าพันเก้าหมืนเก้าแสนเก้าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติถูกทำถูกทำแม้ทำยังไม่มากก็ให้ผลที่น่าปรารถนาให้ผลที่น่าชื่นใจแต่ที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรเราจะรู้ว่าอะไรถูกกับอะไรผิดเพราะโลกนี้มันไม่ได้มีถูกอย่างเดียวมีผิดด้วยนะ เขเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิกับมีมิจฉาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะอะะนกับมีมิจฉาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีมิจฉาวาจาก็แปลว่ามีถูกและมีผิดแต่ส่วนที่ถูกก right? ็เหมือนกับเราเดินทางเนี่ยนะจะไปให้ถูกแหล่งที่เราต้องการเนี่ยนะถ้าไม่ชํานาญจริงๆก็ยากที่จะถูกไอ้ที่ผิดมีมากกว่าเช่นโอ้อยากไปเยี่ยมญาติที่กรุงเทพเนี่ยนะถนนซอยเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะ ไปฟังทำยังไปไม่ถูกเลยวันแรกนะสถานที่ไปก็ไม่ได้เล็กเลยในนี่ใหญ่โตเลยนะบอกไปยังไปไม่ถูกเหมือนเพราะอะไรว่าถนนก็ไม่ได้ถนนรถสวนกันได้นะขณะนั้นยังไปไม่ถูกไม่ใช่ว่าถนนแบบวุ้ยเส้นจิวเลยนะแล้วในท่างกลางความคิดของเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างความคิดที่ผิดกับความคิดที่ถูกแม้แต่ในโลกของนักตัดสินใจอะไรบ่อยๆเนี่ยนะมันยากเหมือนกันนะที่จะทำให้ตัดสินใจว่าผิดหรือ กบางอย่างเนี่ยผลมันออกมาแล้วจึงรู้ว่าตัดสินใจว่าผิดหรือถูกเช่นซื้อหวยเป็นต้นเลยนะมันก็ยากเหมือนกันนะที่จะบอกว่ามันผิดหรือมันถูกเพราะเปอร์เซนต์ผิดมันน้อยมากเออขอปเปอร์เซนต์ผิดเนี่ยมันมากเปอร์เซนต์ถูกเนี่ยมันน้อยการปฏิบัติเพื่อความทุกข์ก็เหมือนกันท่านเราก็ต้องหาประทันฐานหา ม, มาตรฐานหาความถูกต้องเพื่อให้ประสบกับความ เข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยนะแต่ว่าอย่างว่านะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์เป็นต้นอบอกเอ๊ะแล้วเราจะไปหาอรหันต์ที่ไหนเข้ามาเนี่ยนะเคยสมัยก่อนไม้บดไม่ไม่บอกว่าเอออาจารย์ครับผมอยากหาพระอรหันต์นะให้พระอรหันต์สอนผมอะ่ะอาจารย์เขาว่างไง ร, รูเปล่าบอกว่าท่านจะเอาอรหันต์กี่รูปแล้เขาก็งงอ่ะนะว่าเอากี่รูปท่านวางอย่า ง, งนะานั้นเอาเนี่ย ถ้าอยากได้กลุ่มผ้าละหันห้าร้อยรูปจะเอาเลิอดขนาดไหนก็ได้ก็ในพระไตรปิฎกคว่าง่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระไตรปิฎกเนี่ยผ้าละหันห้าร้อยรูปมาร่วมกันเรียบเรียงเอาไว้ถ้าเอารหันเจ็ดรูปเจ็ดร้อยรูปก็สังขยาณาชุดที่สองใช้ผ้าละหันเจ็ดร้อยรู ป, รปถ้าจะเอาผ้าละหันพันรูปบอกสังขยาาครั้งที่สามพระเอาผ้าละหันพันรูปเพราะฉะนั้นถ้าเอาผ้าละหันสองพันสองรอรูปก็อ่านในพระไตรปิฎก เจะเอาเกินกับนั้นก็ได้ดนะเพราะฉะนั้นก็เอาจากเนี่ยมาตรฐานที่สุดก็อยู่เท่านี้จริงๆเขาเรียกว่าพามาใช้คําว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะคือจดหมายจากพระพุทธเจ้าที่เขียนถึงเราเราจะได้รับเข้าการศึกษาพระธรรมจริงๆเนี่ยศึกษาเพื่อรับมรดกของพระพุทธเจ้าเราเชื่อว่ามรดกของพระองค์เนี่ยอทายาทเนี่ยแปลว่าผู้รับมรดกพระองค์บอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาท ของเราตถาคตเถิดอย่าได้เป็นอมิตรทายาทของเราตถาคตเลยเป็นต้นธรรมทายาทก็คือโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมหรืออริยท ร, รัพย์เหล่านั้นเนี่ยนะตอนเนี้ถามว่าเราจะเอาอริยท ร, รัพย์ได้จากไหนท ร, รัพย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เขียนจดหมายบอกเราเพราะฉะนั้นรูปของพวกเรานี่ก็จะรุ่นจดหมายนะรุ่นใช้จดหมายแต่ก็บอกโอ้ยอธิบายได้ว่ายังไม่มีเวลาอ่านเหมือนกันนะยงเกียร์ได้อ่านแล้วสักเล่มเล่มหรือยังนะซื้อไปะไตรปิฎกตั้งเยอะแยะอะไรยังไม่ได้อ่านสักเล่มเลยนะเสียดายจังเลย นะฮต้องเรียบอ่านเลยนะเดี๋ยวตามหมดก่อนนะเสียดายนะแม้รู้อย่างนี้นะอ่านแล้วก็ดีเนี่ยนะก็ต้องไม่เข้มาเนี่ยดีใจนะดีนะแล้วเราเรีบบวนุนแล้วเรียบมาอ่านพระไตรปิฎกไว้ก่อนถ้าตอนนี้แล้วเพิ่งมาเริ่มอ่านถ้าจะแย่เหมือนกันนะเพราะถ้าเราว่ามันไม่ค่อยทนนะถ้าอ่านไม่ค่อยทนถ้าเขาบอกว่าพระไตรปิฎกเป็นแต่ถ้าอ่านไม่บ่อยอ่านไม่มากอ่านไม่ต่อเนื่องเราไม่เข้าใจหรอกถามว่าทําไมไม่เข้าใจ ถ้าเราเข้าใจง่ายๆท่านจะเรียกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือเนี่ยนะใช่ไหมถ้าอะไรที่มันง่ายอุ๊ปบนนี้ไม่มีเสื่อมหรอกแต่นี้ก็แสดงว่ายากพอสมควรแต่เชื่อเถอะในโลกนี้อะไรก็ตามที่ดีและมาตรฐานไม่มีง่ายแม้แต่อย่างเดียวประกอบอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงทองให้ถูกต้องเนี่ยถามว่าง่ายหรือยากก็ไม่ง่ายก็ คิดว่าวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาพระสูตรมาอ่านให้ฟังบ้าง